สามประเพณีวัฒนธรรมของชาติก่อสูญไปแล้วไล้ประเพณีไล่วัฒนธรรมกิจกรรมก็ไม่เปประโยชน์แล้วดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> นี่เป็นที่สัจจดาเรามีของดีประจำชาติก็คือศาสนาประจำใจทำอะไรก็ประจำเหตุประจำผลมีต้นมีปลายมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่การเคารพผู้อใหญ่เป็นระเบียบแบบแผนทาให้เราเกิดวินัย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 มีน้ำใจทั่วไปน้ำในองค์ในตุ่มก็ไม่แห้งน้ำประปาก็ไม่แห้งในี่แหละเราขาดน้ำหนอกน้ำในขาดน้ำใจซึ่งชีวิตขาคู่เคสชีวิตเรายังอยู่ในสังคมทุกวันนี้นี่ประโยชน์เป็นประการได้อัญชารุฑชนพุทธบริาสนาทั้งหลายโตอดคิดว่าโล ก, กาภิวัฒพัฒนาโลกพัฒนาโลกอย่างเดียวแต่จิตใจมันเลวลงไปไม่มีการพัฒนาจิต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 เมื่อเพื่อยืนยันความข้อนี้กอจะขอทิ้งโอกาสนำเรื่องมาเล่ายอ่ยอๆให้ฟังประกอบเสียก่อนตอนหลังจากได้อธิบายถึงลักษณะของความโลกว่ามีลักษณะอย่างไรเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีมาลนคำภีภูมิวิลาลีมีใจความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทศะประทับอยู่ที่พระมหาวิหารพร้อมด้วยพระสง์เป็นจานวนมากครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสาร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 มีห้าระดับด้วยกันอย่าอย่าจำไข่ขวยอย่าแปลว่าโลภะทั้งหมดไม่ได้ต้องแปลไปห้าระดับนังต่อไปนี้ละตีความชอบใจอธิบายว่าละตีที่แปลว่าชอบใจนั้นเช่นเห็นของ ส, สวยงามงามถูกอกถูกใจก็เกิดความชอบขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นเสีย้าสวยรถยนต์คันงามงามก็ชอบใจนี่คือละตี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 ระวนระวายผิดบางสติปัญญางหมดความรู้สึกผิดความเห็นชอบเห็นดีผิดชอบชั่วดีร้อมทั้งเข้าไปเป็นบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำบังคับให้ในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหากลังนับไว้ไม่ได้ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงกับทำลายชิงการและกันผลก็คือชีวิตและคุกตลาด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 ของจั ก, กรลินเทวราดังที่กล่าวมาอันนึ่งโมหะความหลงนี้ยังเป็นเหตุทำให้คนหลงทำกรรมหนักขึ้นถึงขั้น อ, อ น, อนอันตเรียกรรมได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ฆ่าภูมิบุญคุณได้ตัวอย่างประวัติของพระโมกคลานะในอดีตสมัยเมื่อท่านเป็นชาวชายหนุ่มได้ภรรยาที่นิสัยไม่ดีค อ, อยยุโยงสามีให้เกลียด บ, บิดามันดาซึ่งตาพิการ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 บรรเทามืดโมหันอันธก า, ารทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจแต่ท่านทั้งหลายอังคารุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาใดทำใจให้พองแผ่วเหมือนได้แก้วมีค่าทูราสีเวลาใดทำใจให้ลาคีเหมือนมณีแต่หมดลดราคาอันความสุขทางใจนั้นหายยาก คนส่วนมากไมช่ชอบจะแหวงหาชอบจะแหวงหาแต่ความสนุกเพียงหูตามันจะพาชัตรูงให้ยุ่งใจเนี่ยทัานทั้งหลายพระพุทธเจ้าจอมปราดได้กทานธรรมโอตดที่การเจริญประกรรมฐ า, านมีพุทธาหนูภาพขัมมานูภาพทั้งคานุภา พ, าภาพสำหรับแก้โลกโลกกรดหลงให้ประกอบในอภินาปัจวะขณะกรถา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 ซึ่งศีลอุโบสถมือกำหนดเองแปดประการและกรรมบทสุ้ครบทึงเรียกว่าอุบาสกุบาติกา ร, รักษาวิจิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกบาชิกานั้นรักษาศีลรักษาอุโบสถก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนร ธ, ธรรมะปฏิบัติมุงขาวหงขา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 ให้ยาจกวันมีพกเท่าไหรโดยที่มาขอก็ให้ทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้ก็ตามขอเจริญพรท่านบูบาจกมตดิกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ไม่ของไม่ดีกลับมายกัวอย่างอัตมานี่เอง บวดใหม่ๆ ม, มีผ้าปลายอยู่สามรลาถวายต้องตาไปแล้วก็มาชาวว่าผานีัเนขาดมันขาดมาจากร้านขาต้องตาก็หมม่มมาด้แถ้าเราไปบางสกุลกลบมาตีข้างตีคราวก็ได้ผ้าขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านที่บริจาของนั้นก็บริสุทธิ์ดี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 เวลานาคตเราก็าเแคลใั่ชลาเะไไ็บเลยหวยป่วยไข้ประการใดก็นึกถึงทานไวที่เราได้ทำบุญไว้ครั้งอดีตเมื่อชาติฟางก่อดตลอดเลยการปัจจุบันนั้นเราก็ดเอกดีใจขึ้นใจด้วยบุญกุศลที่เราทำชางให้กับตอนเป็นประการสมคัญนึกถึงบุญในึุถงทานหรทอนภาวนาไว จะเราเคยมาปฏิบัติกรรมฐ า, านบำเพ็ญปุจภพวนาและษาบโบสดงดเว้นสิ่งทั่วราสามานทั้งหลายจิตใจก็ ใ, ใสสะอาดบริสุทธิ์ทานให้ท่านถึงจะบริสุทธิ์ด้วยทานบริสุทธิ์ทุติยจากจิกก็บริสุทธิ์จิกจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาฐานศีลบำเพ็ญศูลจิกจะสะอาดหมดส ด, ดได้ก็ต้องภาวนาจเจริญสติปัฏฐานซูง กายายเวทนาจิตธรรมทาเมื่อมีสามประเภทติตการสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตอนคือให้ดูเชื่อไม่เป็นรายให้ไปอย่างนั้นให้ไปหวังผลยะกาแทนได้บุญแ่้วกุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนเป็นต้นทานข้อที่สองอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผล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 ปฏิบัติกรรมฐ า, านจิตใจก็สูงขึ้นไ่ตามอยากทั้งผานสามารถจะกำจัดความทอกข์ตัวได้หวังผลไปสู่มรรคสุผลจากสมบัติมนุษย์เรียกว่าส ม, มบัติมนุษย์สมบัติหวังผลไปถึงขวานสมบัติสุดมุ่งม า, จากจันามุทานาุสมบัติได้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 เราให้กันเพื่อไปเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาขึ้นแลจะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ให้ดีก็าไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่องเขาไปก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทำให้เครื่องครบตามกาหนดหตามวาระแรงก็มีทานศีลและภาวนา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 ทานจะเห็นทันตาในปัจจุบันนั้นเองแต่เราไม่สามารถมาเปลีถึนจิตกภาวนาได้ทานนั้นอาจจะลาชาอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประตานได้จิตนี้เป็นกุศลมาหากุศลมาหากุศลฝิดป่าเกิดขึ้นกระดวงหะไทยใช้ ส, าสอาดไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุข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 I.